นี่คือเรื่องเกี่ยวกับความรักบริสุทธิ์และความเชื่อมันคือเช้าฤดูร้อนที่สวยงามเขาอ阿拉瑞ขี่ม้าวิ่งไปข้างหน้าเพื่อไปที่ปราสาทเขาได้เข้าไปที่ทุ่งหญ้า ก, กว้างสวัสดีคุณโอเคไหมคุณผู้หญิงคุณครับคุณเจ็บตรงไหนไหมคุณพูดได้ไหมไม่ฉันไม่เจ็บดูพระอาทิตย์สิมันสวยมากเลยใช่ไหมเออ ใช่มันสวยมากจริงๆใช่แต่เขาอ า, าราิกไม่ได้มองดูพระอาทิตย์จริงๆเขากำลังถูกสะกดด้วยความสวยของผู้หญิงคนนี้ผิวสีขาวและดวงตาที่สว่างของเธอคือสิ่งที่เขาได้เห็นและเขาก็ตกลุมวัวเธอเอ อ, เ อ, อคุณลหลงเหรอครับเออคุณชื่ออะไรฉันฉันไม่รู้คุณเ อ, อคุณไม่รู้ชื่อของคุณเหรอเออ ไม่อ่ะเราเออคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันจำอะไรไม่ได้เลยตอนฉันตื่นขึ้นฉันก็อยู่ในทุ่งมองดูพระอาทิตย์ขึ้นฉันจำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยเขาอ า, าริรู้ว่าเขาต้องช่วยเธอไม่มีทางที่เขาจะทิ้งเธอไว้คนเดียวในทุ่งนี้แน่เออคณได้โปรดมากับผมที่ปราสาทผมจะดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีและระหว่างนั้น ผมจะช่วยหาครอบครัวของคุณคุณใจดีมากฉันจะไปกับคุณเขาอลา ร, าริกดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นแต่เขาก็หยุดมองเธอไม่ได้เธอเหมือนจะมองเขาแต่ว่าตาของเธอกลับว่างเปลา่าเหมือนว่าเธอกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่บางทีเธออาจจะกลัวฉันต้องปกป้องเธอพวกเขากลับไปที่ปราสาทเข า, า, ร, าริ릭สั่งให้คนรับใช้ของเขา ดูแลแขกของเขาเป็นพิเศษและเขาก็คิดขึ้นได้ว่าเขาต้องตั้งชื่อผู้หญิงสวยคนนี้เขาตั้งชื่อให้เธอว่าแคทเธอรีนเขาคิดชื่ออื่นที่เหมาะสมกับเธอไม่ออกแล้วชื่อเพราะมากกับคุณนะแคทเธอรีนมีความสุขแต่เหมือนว่าเธอจะคิดถึงอย่างอื่นตลอดเวลาบางทีเธออาจจะเหนื่อยฉันต้องดูแลเธอผ่านไปเป็นวันอาทิตย์และเดือน แต่ก็ไม่มีข่าวของครอบ ค, ครัวแคทเทอรีนไม่มีใครรู้แม้กระทั่งเมืองข้างๆเขาต้องการจะช่วยเธอมากเขาไม่สามารถทนมองตาเธอได้เหมือนอะไรขาดหายไปเขาอยากจะทำให้เธอมีความสุขแล้วถ้าฉันขอเธอแต่งงานละ่ะเธอจะตอบตกลงไหมฉันต้องบอกเธอว่าฉันรักเธอฉันมีทุกอย่างที่ทำให้เธอมีความสุขได้เขาได้ขอแคทเทอรีนแต่งงานกับเขาทันที แคเธอรีนยิ้มเธอชอบชายใจดีที่ช่วยเหลือเธอเธอมีภาระผูกพันและไม่นานก็แต่งงานกันเขาได้จัดงานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขาแต่งงานกับคนที่เขารักมากที่สุดคนที่มาร่วมงานก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่พันคนเขามองเห็นความตื่นตะลึงบนใบหน้าของทุกๆุกคนว้าวเขาเตสเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลย ดูงานแต่งงานที่ใหญ่โตนี้สิเขาต้องรักเธอมากเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยเขายิ้มแต่เมื่อมองไปที่เขาเตสหัวใจของเขาเจ็บปวดเล็กน้อยที่รักคุณไม่มีความสุขเหรอมีสิที่รักเขาอลาังเเชื่อเธอแต่เมื่อเขามองไปที่ตาเธอดวงตาเธอนั้นเหมือนกาลังคิดอะไรอยู่ เขาอลาริกหมดข้ออ้างที่จะทำให้เขาสบายใจเมืองนี้จะไม่มีเขาเตสคนไหนดีไปกว่าแคทเธอรีนอีกแล้วทุกคนรักเธอเธอปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความรักและความเคารพแต่เขาอลาริกเศร้าเพราะเขารู้ว่าเธอไม่ได้เป็นของเขาทั้งหมดทุกปีเขาจะจัดงานเลี้ยงให้คนของเขาทุกคนเต้นรำแม้ว่าคนที่เต้นไม่เป็นก็เต้นด้วยเช่นกัน แต่เขาแตสเงียบเธอไม่เต้นและไม่ยิ้มเลยดวงตาที่ว่างเปล่าของเธอทำร้ายจิตใจของเขาทุกวันเขาเหนื่อยที่ต้องถามเธอทุกครั้งและทุกครั้งที่เขาถามเธอจะจับมือเขาแน่นยิ้มแล้วพูดว่าฉันรักคุณที่รักและฉันก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคุณเธอมองเขาเขารู้ว่าเธอกําลังคิดถึงบางอย่างอยู่คืนหนึ่งเมื่อเขาได้เข้ามาในห้อง เขาประหลาดใจที่เห็นแคทเธอรีนเต้นที่รักทำไมคุณถึงไม่เคยเต้นกับผมเลยละ่ะอะไรนะฉันไม่เต้นคุณก็รู้นี่โอ้ที่รักคุณเพิ่งจะเต้นเมื่อกี้นี้เองตอนที่ผมเข้ามาที่ห้องคุณจำไม่ได้เหรออะไรนะไม่ฉันไม่เต้นแต่บางครั้งฉันได้ยินเสียงเพลงเบาๆเหมือนมันเล่นอยู่ที่ไหนสักที่ที่ไกลออกไป เหมือนมันเรียกฉันเขาอา ร, ริกสับสนปีหนึ่งผ่านไปมันคือวันครบรอบแต่งงานเขาต้องการที่จะเซอร์ไพรส์คนรักของเขาแคเทเธอรีนคืนก่อนวันครบรอบเขาขี่ม้าไปที่ทุ่งหญ้าที่พบกันครั้งแรกแคเทเธอรีนต้องมีความสุขมากแน่ๆเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะฉันไม่เคยได้ยินเสียงที่เพราะขนาดนี้ในชีวิตเลย นี่น่กลุ่มนางฟ้าเหรอฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าเนี่ยนะที่โอดอนี่มันเป็นภาพที่แปลกมากเดี๋ยวนั่นใครเนี่ยนั่นใช่และนั่นคนที่ใส่ชุดสีชมพูสวยงามคือคนรักของเขาแคเทเธอรีนแคเทเธอรีนแต่ก่อนที่เขาจะได้เข้าไปดูใกล้ๆมาของเขาวิ่งออกไป ทีโอโดอตกใจมันเร่งวิ่งเข้าไปในป่านี่เงียบนะทีโอโดอใจเย็นเย็นแกทำให้ฉันออกมาไกลจากนางฟ้านี่นี่เงียบนเงียบดูสิแกพาฉันมาไกลแค่ไหนพาฉันกลับไปโอรไม่นะพวกเขาหายไปแล้วเขารีบกลับไปที่วังของเขาและเขาก็โล่งใจที่เห็นแคทเทรีนอนหลับอยู่ที่รักคุณไปไหนมา อ๋ออะไรนะฉันนอนอยู่คุณดูเหนื่อยนะคุณต้องนอนด้วยมันดึกแล้วเดี๋ยวนะฉันไม่ได้เข้าใจผิดนั่นคือเธอจริงๆทำไมเธอถึงโกหกฉันเธอดูมีความสุขมากที่นั่นฮ้าฉันต้องทำยังไงตอนนี้ล่ะมีแค่คนเดียวที่ช่วยฉันได้แม็กดาเขาเชื่อใจแมคกดา เธอรู้ความลับทุกอย่างบนโลกนี้หลังจากเดินทางได้สองวัน mm hmm. เขาก็มาถึงกระท่อมเล็กๆที่อยู่ลึกในป่าโอ้ oh, oh, เขาอ า, าราลีอะไรทาให้ท่านาที่นี่เรื่องเขาเตสนาแบกด้าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเขาได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แมดด้าฟังเขาอธิบายว่าความว่างเปล่าในตาของแคทเธอรีนทาให้เขาเจ็บปวดเธอมองตาฉัน แต่เหมือนว่าเธอกำลังคิดถึงอย่างอื่นอยู่ฉันต้องทำยังไงโอ้ที่รักไม่มีอะไรที่คุณทำได้ผ่าระยะของคนคือนางฟ้าในกลุ่มนั้นเธอต้องอยู่เมื่อรุดนร้อนที่แล้วตอนที่คุณเจอเธอพวกเขาเรียกเธอไปเธอไปหาพวกของเธอทุกฤดูร้อนเพื่อเต้น เธออาจจะกลับมาตอนนี้แต่อาจจะมีวันที่เธอจะไม่กลับมาอะไรนะไม่เธอเป็นของฉันไม่มีทางไหนที่เธอจะลืมทุกอย่างแล้วเธอจะเป็นของฉันตลอดไปเหรอให้สมุนไพรหรือยาวิเศษมาอะไรก็ได้เด็กน้อยไม่มีสมุนไพรหรือเวทมนต์ใดที่จะแข็งแรงมากพอให้เธอลืมอดีตได้ เธอจะผูกพันกับที่ที่เธอจากมาแต่ไม่อยากหนึ่งนะอะไรเหะบอกฉันมาเลยบอกมาฉันจะทําเดี๋ยวนี้เลยความรักของคุณต้องสมบูรณ์แบบแล้วเธอจะลืมอดีตไปความรักของฉันไม่สมบูรณ์แบบเหรอฉันต้องทํำยังไงละ่ะเวลาจะช่วยสอนคุณเองไม่ต่อเป็นห่วงลูก กลับบ้านไปเธอและเชื่อในความรักเขาอารลิกได้กลับไปที่วังตอนนี้เขาสุภาพและดีต่อภรรยาของเขามากกว่าเดิมทุกคืนเธอจะออกจากวังเขาไม่ค่อยได้นอนและสงสัยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่พวกนางฟ้าจะพาคนรักของเขาไปหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งพอกันทีฉันจะตามเธอไปวันนี้ และทำให้เธอเห็นว่าฉันรักเธอแค่ไหนความรักของฉันสมบูรณ์แบบฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นพอกันทีแคทเธอรีนผมเองสามีของคุณผมมาเพื่อจะพาคุณกลับไปมากับผมสิอ้าลายฉันนะมากับเราน้องลายฉันคุณจำผมไม่ได้เหรอที่รักมากับผมแคทเธอรีนรู้ว่า เขาแข็งแรงเกินกว่าเธอเธอยิ้มที่รักให้ฉันเต้นเสร็จก่อนฉันสัญญาว่าฉันจะไปกับคุณไม่คุณโกหกมองฉันสิฉันมีน้ําตาและนางฟ้าจะไม่ร้องความรักของคุณสอนฉันไม่แคทเธอรีนคุณเป็นของผมพี่น้องให้ความเข้มแข็งกับฉัน จงแข็งแรงพี่น้องจงแข็งแรงจงแข็งแรงพี่น้องจงเข้มแข็งจงแข็งแรงพี่น้องจงเข้มแข็งจงนักลัวพี่น้องจงนักลัว จงนักลัวจงนักลู่จงไหลพี่น้องจงไหลจงไหลพี่น้องจงไหล งจงเป็นไฟจงเป็นไฟที่น้องจงเป็นไฟถ้าผมจับคุณจนถึงเช้าส่วนหนึ่งของคุณก็ยังเป็นของผมแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยไฟไปคุณแข็งแรงเกินกว่าฉันฉันไม่สามารถไปจากคุณได้ เขามีความสุขมากฉันรู้ว่าความรักของฉันสมบูรณ์แบบแคทเธอรีนคุณโอเคไหมแต่เขาเตสไม่ได้พูดอะไรเธอก้มหน้าและพูดเงิม・งำและการที่เขาเห็นแคทเธอรีนไม่มีความสุขมันเหมือนตายทั้งเป็นแคทเธอรีนถ้าคุณอยู่กับผมคุณจะจำพวกเขาได้แล้วเศร้าไหมฉันจะจำพวกเขาได้ลิงล่งๆฉันไม่ควรจะเศร้า แต่ฉันจะรู้สึกว่าบางอย่างหายไปแล้วถ้าคุณกลับไปกับพวกเขาคุณจะจำผมได้ไหมไม่ฉันจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่ฉันจะมีความสุขผมเห็นคุณไม่มีความสุขไม่ได้ที่รักผมรักคุณมากเกินไปที่รักกลับไปหาคนของคุณเถอะนะอยู่ในที่ที่คุณมีความสุขจริงๆเขาอ า, ลารลิกไม่หันมองกลับไป เขาไม่สามารถทนทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่าได้หลังจากที่ขี่ม้ากลับอย่างไร้ความหวังเขาก็ถึงปราสาทของเขาใครเนะ่ยแคทเธอรีนออที่รักเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันตื่นขึ้นฉันอยู่คนเดียวในทุ่งฉันไปที่นั่นได้ยังไงฉันรู้ว่าคุณต้องตามหาฉันที่รักมันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญก็คือคุณอยู่กับผมตอนนี้ ผมรักคุณฉันก็รักคุณแล้วเขาก็รู้ว่าเธอหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆตาของเธอมองแค่เขาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันคือความเชื่อและความรักที่บริสุทธิ์ที่นำทางผู้หญิงของเขากลับมาความรักจะสมบูรณ์แบบเมื่อคุณเห็นความสุขของอีกคนสําคัญกว่าความสุขของตนเอง